พระธรรมเทศนาของพระหลวงตานำกำกับกขีลานูต่อโลกไม่ชันทำไม่ขุนแล้วเข้าไปฟังใน YouTube นะมันจะไห้เข้าใจขึ้นเรื่อยๆเออทุกคนเนี่ยมี u ูทูปของหลวงตานะพิมพ์เข้าไปว่าหลวงตานำะองศ์ เขาจะขึ้นมานะดูใน youtube นะเอเอแต่ทุกคนเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์หมดเ youtube เอ้เราลืมเลยวันนี้มั น, นมนนีแผ่นซีดีไม่ได้อาติดมาเลยฮะเอาติดม า, าป่อเนี่ยซัพเตอร์ลืมเลยโอ้ลืมเลยเนี่ยเขาไลฟ์ซีดีแล้วก็ลืมออกมาเลยเพราะว่าเผื่อคนนี้ไม่มี youtube <ignty? S 2> เขาไลฟ์ลงดีดีหมดเลยเป็นลืมไปไม่ได้อาติดมาเนี่ยเดี๋ยวเมื่ไรเดี๋ยวไป<ๆ>อีก ก็างคืนมาสอนทำที่นี่กลางวันไปสอนที่สำนักสงฆ์บ้านที่เลยก็คืนเราสอนที่นี่กลางวันเลยต้องไปสอนไปสอนที่สำนักสงฆ์บ้านทิศนู้นไปสอนมีฟระรออยู่ที่นู่นด้วยแล้วก็มีโยมรออยู่ด้วยกลางวันก็เลยไปสอนที่นู่นอีกก็เป็นห <Con> <moi> <wers> ่วงพระที่ที่จริงๆมาที่นู่นที่บ้านที่สำนักสงฆ์ที่บ้านที่มีพระอยู่ที่นั่นแล้วก็มีโยมอยู่ บันทีอําเภอบันทีลําพูนเออใช่ใช่เออเมื่อกี้เขมาทางรับ igps รับหมู่บ้านเข้ามามาทางรับเลยมาถึงไปเนีกลางวันก็ไปสอนที่นู่นกลางคืนก็มาสอนที่นี่กลางวันแอบไปสอนที่นู่นแอบไปสอนที่บันที ก็คือเลยมาตอนที่นี่มันก็เลยมาบางที ม, มาช้านิดหนึ่งอเออเนื่องในวันาาที่สี่ใช่ไหมวันที่สี่คือสอนถ้ามันมีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้ามันคาดกันไรมากๆมันที่มันจะสอนอะไรแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายคือสอนผู้ที่จะไปสอนผู้ที่มีปัญหา เด็กๆหรือผู้ที่มีมีมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยคือสอนผู้ที่จะไปสอนเขาจะสอนอีกอย่างอหรือถจะไปสอนผู้ที่คนที่มีปัญหาเก็สอนอีกอย่างมันไม่เหมือนกันนั้นถ้าเป้าหมายมันคระแล้วมันที่เป็นกูที่จะต้องไปพัฒนาถ้าสอนคนที่จะไปสอนคนอื่นจะไปพัฒนาคนอื่นก็สอนอีกอย่าง ถ้ามีคนมาหลากหลายมาฟังเนี่ยมันก็จะมันก็มันเป็นชั่วโมงเดียวอะ่ะมันเลยไม่รูจะพูดอะไรมนะันที่จะสรุปรวบยอดได้ถ้ามีคนหลากหลายมาฟังหลายอย่างเนี่ยบางทีมันมันเวลามันชั่วโมงเดียวดีจะอาจจะให้พระด็อกเตอร์ไปไปช่วยพูดด้วยเอออาจจะให้พทยด็อกเตอร์ได้ดูก่อนดูหน้างานว่ายังไงก็ อ, อาจจะแพรยด็อกเตอร์ท่านที่มาด้วยเนี่ยท่าน มีความเชี่ยวชาญด้านที่ว่าปั้นเด็กไทยนี่ไปไปอยู่ในเวทีโลกไปอยู่ในเวทีโลกไปอยู่ในเรียนกิตอเมริกาสถาบันที่สูงๆได้เยอะผ่านการสอบอะไรนะท่านไอเอสหรนออะไรนะอะสอบมาตรฐานเราดูเลยสอบมาตรฐานของอเมริกากับของอกิตเนาะของโลกอ่ะ จะไปเข้าในวิเลยในมหาวิเลยดังๆของประเทศนมสิตาได้นี่ก็ท่านก็ให้ความรู้กับพ่อแม่และเด็กให้เปลี่ยนแนวความคิดวิถีชีวิตสมัยตั้งแต่ต้นปรับแนวความคิดปรับวิถีชีวิตของพ่อแม่และเด็กให้พัฒนาเป็นร่วมกันระหว่างครูพ่อแม่และเด็กจนสามารถมองเห็นความสามารถของลูก ครูก็มองเห็นความสามารถของเด็กนัเกเรียนของลกูกศิษย์พ่อแม่ก็มองเห็นความสามารถของเด็กแล้วก็ส่งเสริมเด็กไปนในทางที่เด็กมีพรสวรรค์มีความสามารถส่วนอะไรที่เป็นปมด้อยของเด็กก็พัฒนาให้ขึ้นมาให้พอดีแต่ส่วนใดที่เป็นปมเด่นเป็นพรสวรรค์พิเศษก็ปรับให้ให้ขึ้นไป เป็นพรสวรรค์พิเศษเนั้นเมื่อเราสามารถค้นพบพรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษในตัวเด็กได้แล้วในตัวของพ่อแม่และในตัวของครูได้แล้วเนี่ยความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นเพราะนพรสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้เป็นพรสวรรค์ที่เด็กคนเดียวมันเป็นพรสวรรค์ที่ของพ่อแม่ด้วยและพรสวรรค์ของครูด้วยถ้าพูด้ดีคุมเกมฉลาดเนี่ย สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดของพ่อแม่ที่มีพ่อแม่นี่มีความรู้ความสามารถที่จะร่วมมือกับทางโรงเรียนร่วมมือนในการช่วยเหลือ เ, ลเด็กเพราะมองเห็นความสามารถความส่วงของเด็กแล้วก็อร่วมมือร่วมมือกันทั้งครูพ่อแม่จะเกิดัะเบียบเด็กก็จะสามารถบรรลุความหมายได้แต่ถ้าพ่อแม่ไปทางหนึ่งครูก็ไปทางหนึ่งเด็กก็ไปทางหนึง เละตุเ๊ะเ ล, เลทาทยทุกวันนี้คือพ่อแม่ก็จะเอาอย่างที่พ่อแม่ต้องการเด็กก็เครียดบางทีก็เรียนไปตามที่พ่อแม่ต้องการออกมาแล้วจบมาแล้วไม่ทำงานอย่างที่ไปเรียนเพราะว่าตัวเองไม่ชอบแต่เรียนเพราะพ่อแม่อยากให้เรียนถามเด็กหลายคนว่าโาขึ้นอยากเป็นอะไรแล้วลูก เด็กส่วนใหญ่ตอบแล้วว่าพ่อแม่อยากให้เป็นแล้วหนูไม่ตอบตัวเองบ้างหรูอว่าหนูอยากเป็นอะไรแทบไม่เคยเจอเลย ว, ว่าหนูอยากเป็นอะไรไมิแต่ว่าพ่อแม่อยากให้เป็นนี่เราว่ามันเป็นปัญหามากพ่อแม่อยากให้เป็นเพราะพ่อแม่เห็นว่าอาชีพนี้มันจะรวยโดยเอาเงินเป็นตัวตั้ง อาชีพนี้ออกมาแล้วมีงานทําแน่นอนเนี่ยพ่อแม่พอตัวมีงานทํามีเงินเป็นตัวตั้งไอเอาเงินเป็นดับแรกหรือไม่เช่นนั้นก็เด็กก็ไหลไปตามสังคมไม่ได้เป็นที่พ่อแม่อย่างเดียวคือเงินเป็นพระเจ้าอย่างอื่นไม่สนใจไม่ต้องพูดถึงคุณธรรมความดีไม่ต้องพูดถึงเงินอย่างเดียว ที่บอกว่าเคยถามเด็กว่าหนูหนูอยากเป็นอะไร ล, ะละ่ะลูกอยากเป็นหมอพูดหัวห้ว น, วนอยากเป็นหมอหนูทำไมอยากเป็นหมอ ล, ะ ล, ะละ่ะลูกอยากรวยเป้าหมายที่เดินมันเดินไปสู่ความทุกข์ตั้งแต่แรกแนละ้วคุณอยากรวยมากคุณก็ทุกข์มากเนะมีความทุกข์ความเครียดมาก เขาคิดว่ารวยแล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขที่สุดเขาคิดอย่างนี้มั น, นเวลาเขาประกาศชอบประกาศว่าเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทยเอาความร่ารวยมาวัดกันคนทั้งหลายมันตามตามอย่างอยากรวยหมื่นล้านแสนล้านโยกตั้งความรวยนั้นเนี่ย มันไม่ได้คำนึงถึงว่ามีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมเรื่องนี้เราอยากจะพูดทั่วไปในโลกนั้นแต่เรื่องเราจะมาสอนเรื่องจิตใจเรื่องธรรมะอย่างเดียวเราก็เหนื่อยแรงนะเราเลยต้องมอบภาร ะ, ะนี้ให้ภาระด็อเตอร์ตูไปจัดการปรับแต่งแล้วหน้างานเนาะ พนไม่เห็นหน้างานน ไ, ไม่รู้หรอกมันต้องไปถึงเวลานะั้นเราไปปรับแต่งกันหน้างานความจริงเรื่องเนี้ยมันเรื่องเรื่องการสอนธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจริงๆมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไม่ใช่การสอนธรรมเนี่ยมีคนหลายค น, นยตลอดเวลาที่เราสอนมาเกือบยี่สิบปีเต็มเราสอนเปิดสอนแล้วความจริงเราสอนมาก่อนนั้นแต่เปิ ด, เ ป, ดเป็นทางการเมื่อปีสองพันหน่งสี่สิบ เปิดเป็นทางการเลยมีคนมาปฏิบัติเป็นร้อยรอยหลายร้อยคนแล้วเปิดเป็นทางการมีหนังสือพิมพ์มาไปลงคึกโครมก่อนที่จะเปิดสอนเพราะว่าเราเขียนหนังสือคู่มือการปฏิบัติทำเราเขียนเขียนละเอียดเลยตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้มันง่ายขึ้นในการสอนให้คนไปปไปกบเอาไปอา่านซะก่อนศึกษาทาราบเข้าใจแล้วก็มาหาเราแล้วเราก็ประกาศวันที่จะสอน เราเกือบสอนมาเกือบ20ปีมีคนพยายามจะมาจัดระเบียบการสอนมีคนจะมาจัดระบบการสอนมีคนพยายามมาตั้งหัวข้อให้เราสอนมีคนพยายามมาตั้งเวลานี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้เวลานั้นต้องปฏิบัติอย่างนี้เป็นอย่างงี้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แล้วจริงๆจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะเราก็ไปดูแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย เหมือนกับโปกตันที่นั่งอยู่ในนี้ยแม้แต่คนทั้งโลกด้วยทุกคนเป็นมาเนี่ยเป็นเกิดตายกายเกิดเนี่ยเป็นไม่รู้กี่แสนกับที่ตายเกิดเกิดตายเป็นมาแล้วเนี่ยไม่รู้กี่แสนกับและแต่ละชาติก็มีความเป็นไปต่างๆสั่ ง, งสมเอากิเลสตัณหาเนี่ย ความรู้ความเห็นความพอใจที่เป็นกิเลสกันหาต่างๆเนี่ยที่เป็นอาวิจาเนี่ยสังสมมามากมายหลายพบหลายชาติทั้งบุญทั้งบาปก็สร้างบุญก็สร้างบาปก็สร้างบาปก็ทาบุญก็ทำหลายพบหลายชาติแม้แต่การอธิษฐานให้คำมั่นสัญญาต่างๆเนี่ยอธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาต่างๆก็ทับผมกันจนไม่รู้ว่า มันอธิษฐานทับกันอะไรมาม้างเจออะไรก็อธิษฐานเจออะไรก็อธิษฐานทำบุญอะไรก็อธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานทับกันไปทับกันมาทับกันไปทับกันมาทับกันไปทับกันมา ใ, ใ, ใ, ใ, ในในในแสนกับเนี่ยทั้งในชาติปัจจุบันก็ทําบุญให้ทานทําความดีแต่ละครั้งก็อธิษฐานอธิษฐานขออธิษฐานขออธิษฐานขอจนไม่รู้ว่ามันทับผมกันจน โอ้โหมันเจอกระทั่งมันมันลือลงไปไม่รู้ว่ามันเจอไม่รู้ว่าคืออันไหนเป็นอันไหนเละเทะไปหมดเลยบุญก็สร้างมาเยอะบากก็สร้างมามหาศาลแล้วไอ้ ก, การเรียนไหว้าตายเกิดก็ไปสั่งสมเอาอาสวะหรืออนุสัยเนี่ยกิเลสเครื่องดองสันดาลหรือว่าไอ้ไออนุสัยเนี่ยความเคยตัวเคยใจเนี่ย สั่งสมมาเนี่ยแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละภ พ, แ ต, ะพแต่ละชาติเนี่ยไม่รู้มากมายเท่าไหร่เลยมหาศาลและไอ้ตัวเนี้ยอาสวะหรืออนุสัยในเิเล่เครื่องดองสันดานหรือว่าอนุสัยเนี่ยที่เป็นอความเคยตัวเคยใจหลายภพหลายชาติที่สั่งสมมาเนี่ยมันเป็นพ่อแม่ของอวิชชาเป็นพ่อเป็นแม่ของอวิชชาเลยคือมันเป็นผู้ให้กําเนิดอวิชชา และที่เราต้องเวียนไหว้ตายเกิดทุกโศกเศร้าเสียใจกรบแกนใจมีตัณหามีอุปทานมีความยิดมั่นถือมั่นมีมีภบมีชาติเนี่ยมีทุกโศกเศร้าเสียใจครับแกนใจน้ำตาไหลออกตาเวียนตายเกิดเป็นสัตว์ทะเลช้านเป็นสุนักายสัตว์นรกมาเป็นเทวดาและมนุษย์เนี่ยน้อยมากกันนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไปเนี่ยไปเป็นสัตว์ทะเลช้านเปตนสุรกายเป็นส่วนใหญ่เราเกิดมามากมายนะโอกาสมาแสนนานที่เราพ้นโทษมาจากนรก แล้วมาเลื่อนมาเป็นเปรตอสุรกายมาเป็นเศรษฐีฉานจนพ้นโทษหมดแล้วมาเป็นมนุษย์ขั้งนานเป็นมนุูยกี่กี่แสนแสนชาติกี่แสนแสนปีจึงจะพ้นจากโทษนีินนรกมาเป็นเปรตอสุรกายมาเป็นสเศรษฐฉานแล้วพ้นมาเป็นมนุษย์เราว่ามันนานแสนนานมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าโอกาสที่ตายจากมนุษย์แล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันยากที่สุดในโลกที่บอกว่าเหมือนเต่าตาบอดสองข้าง อยู่ใต้คนท้องมหาสมุทรที่ในในโลกนี้ไม่มีปืนแป็ น, นดินเลยมีแต่น้ําอย่างเดียวในใต้ท้องมหาสมุทรมีเต่าตาบอดสองข้างอยู่ใต้คนท้องมหาสมุทรหนึ่งร้อยปีคึงจะโผล่มาหายใจเหนือพื้นน้ําสักครั้งหนึ่งคนตั้งหลายในโลกนี้พยายามโยนแอกอะแอกที่มันเหมือนไม้สองเราก็จะมันเหมือนไหม้ห้ามที่เขาสวมคองัวคอควายเนี่ยเวลาเขาเขอาเข้าเพี้ยนพวกมันจะมีไม้แอกสวมจมคอกไม่ให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาไม้แอกมันก็โตเท่ากับคอเต่าพอดี คนตั้งหลายเนี่ยพยายามโยนไม้งายไปเอาเต้าขอเต่าพอดีเนี่ยลงไปในในน้ําทะเลี่ในน้ำมหาสมุทรนี่เพื่อรอเพื่อให้โอกาสว่าร้อยปีเนี่ยเต่าโบเต่าตาบอดสองข้างตอนนั้นโผล่ขึ้นมาหายใจผิน้ําแล้วไตทุบแอกพอดีแล้วสิ่งได้เกิดมาเป็นคนพวกเราทุกคนเนี่ยเมื่อตายจากคนแล้วโอกาสจะได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งเท่ากับเนี่ยเต่าตาบอดสองข้างที่ใต้ใต้มหาสมุทรท้องทะเลลึกหนึ่งร้อยปีโผล่มาหายใจหายใจครั้งหนึ่ง ถ้าครั้งหนึ่งที่ผมหาใจแล้วพอสวมแอกได้พอดีจริงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งพุทธองค์ตรัสว่าแอกที่โยไปในท้องทะเลนั้นอ่ะโดนลมเหนือลมใต้ลมบกลมทะเลขึ้นทะเลซัดไปหมดไม่เหลือหรอโอกาสที่เต่าเนี่ยตาบอดสองข้างนั้นอ่ะจะขึ้นมาสวมไวแอกเนี่ยมันจะมีได้มากน้อยขนาดไหนหนึ่งร้อยปีสักครั้งเราเนี่ยทุกคนเนี่ยโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเี้ ย, ย มันไม่มีเลยแทบไม่มีหรกเราจึงบอกว่ามาแสนนานเราจรงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งแต่ละคนอนอกนั้นไปไหนอระพุทธเจ้าจัดไปอาบายไปเป็นปรเจริญฌานไปอัสุรกายสัษษ ต, ตว์นะกเพราะสาวกทําหลายเอ้าทาไมมันไปอาบายกันหมดเลยละ่ะแม้แต่จะมาเป็นเทวดายัางยากเลยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย เทวดาตายจากเทวดาแล้วโอกาสจะกลับมาเป็นเทวดาหรือมนุษย์ตายจากมนุษย์แล้วโอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยที่ไม่ไปเอาบายอ่ะน้อยนะถ้าเทียบกับผู้ที่ไปอาบายกับผู้ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือกลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกครั้งมีจํานวนเท่าไหร่ทุกเจ้าบอกโอ้มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แทบไม่ได้เลยะมันไม่รู้จะคิดยังไงเลยแม้แต่เราว่านะคิดเป็นศูนย์ศูนยูนย์ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตอะไรก็ยังไม่ได้เลย อย่าว่าหนึ่งเปอร์เซนเลยทั้งมนุษย์และเทวดาที่ตายแล้วโอกาสจะไม่ไปอวบายเนี่ยมีแค่นี่ดินในที่เล็บพระ อ, องค์นี่มีเปอร์เซนต์แค่ในเองนอกกันนั้นเนี่ยที่ไปอาบายหมดเลยทั้งเทวดาและมนุษย์เนี่ยตายแล้วไปอวบายหมดไปเป็นสัตว์ในสารเป็นสุรกายสนนรกเท่ากับพื้นแผ่นตะพีนีแผ่นดินในพื้นแร่ตะ พ, พ, ดนน พ, พ, พีดังนั้นไม่ใจ่ว่าโอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์ ยากอย่างเดียวนะแถมไปอาบายด้วยเราจึงบอกว่าในกระดูกเตียงเราเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าเราคนเดียวเนี่ยกระดูกเราคนเดียวเนี่ยของเตียบเท่าภูเขาเรากามันใหญ่สูงใหญ่เท่ากับภูเขาวเวลุบันพุทธเนี่ยของเราคนเดียวนะไปแหลยกัสัตว์เดรัจฉานจับใส่ชุดตนโลกเราเกิด้งหมดลนะทุกกับเป้ไปเป็นเปรตประดุลการตานรกเราเกิดมาหมดละ เพราะฉะนั้นนี่ย้ำตาที่ทุกโศกเศร้าเสียใจกับแกนใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่มันทุกข์แลร้ลองห้าบร้อ ง, องห่มร้องไห้มันไม่หายถ้ามันไม่เกิดแห้งหายไปมันมากกว่าน้ําในท้องทะเลมาหาสมุทรทั้งสี่พระเจ้าจักมันน่ากลัวขนาดไหนที่ทุกคนมีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทไม่ดิบปฏิบัติให้คนทุกไปโอกาสที่เรานรเนี่ยพเจ้าจักรมีโอกาสไหมที่เราหนึ่งเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีก สแล้วมีโอกาสมากที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะพบพุทธศาสนาแม้แต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะมีกี่เปอร์เซ็นที่มาเป็นพุทธศาสนาโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยากที่สุดในโลกแล้วเท่ากับเต่าตาบอดตัวนั้นที่ได้สวมแอวนครั้งหนึ่งหนึ่งร้อยปีแต่หนึ่งร้อยปีก็ฝ่าว่าเยอะแยะเพราะว่ามันไม้แหกที่โยนไปโดน ล, ลมพัดไปหมดขึ้นลมพัดไปหมดแล้วโอกาสเป็นยาก แต่คั้นเกิดจะเป็นมนุษย์ก็คิดดูสิไปเกิดประเทศอื่นไปศาสนาอื่นมากม า, ก า, ย, กายก่ายกองหรือแคนพุทธศาสนากี่ปเปอร์เซ็นต์โอากาสจะกลับมาเป็นมนุษย์ยากที่สุดในโลกแล้วเกิดมาแล้วก็ยากที่ ส, สุดที่จะมาเป็นพุทธศาสนาและเป็นพุทธศาสนาแล้วยากที่สุดที่จะมีผู้ชีรร้ทนำและมาปฏิบัติธรรมให้คนทุกไปมันยากไปหมดแหละพระเจ้าจึงบอกว่าพุทธเจ้าสินสารว่า อย่าประมาทอย่ามัวประมาทอยูโอกาสที่ท่านกลับคืนมามัท่านจะไม่มีแล้วมันแค่เราเปรียบเหมือนกับนี่มันมาเกิดที่ท่านมีโอกาสมาเป็นมนุษย์แล้วมาฟังธรรมเจยวเนี้ยแล้วนําท่านมีโอกาสนําไปฟังธรรมและนําไปพุปฏิบัตินี่าเรามีความรู้สึกว่ามันชีวิตท่านในครั้งนี้ที่ท่านได้มีโอกาสมาฟังธรรมแล้วก็พุทธปฏิบททัติธรรม มันเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายของท่นนทานถ้าท่านเกาะมันไม่ติดท่านก็ตกลรถไฟนะโอกาสที่ท่านจะกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์แทบไม่มีเมื่อเกิดมันเป็นมนุษย์แล้วโอกาสจะพบพุทธศาสนาก็ยิ่งยากเกิดมาพบพุทธศาสนาเป็นมนุษย์ พ, พุศาสนาพบผู้สอนธรรมที่ทำแล้วเราก็สนใจปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผลนิพพานไปก็ยิ่งยากใหญ่มันจึงเรียกว่า รถไฟเที่ยวสุดท้ายของชีวิตท่านนั่นเองโอกาสสุดท้ายแล้วที่ท่านได้มาครับมาเป็นมนุษย์และมาทำกิจกรรมทำความธรรมเพื่อความเปนทุกข์เนี่ยมันโอกาสาสุดท้ายจริงๆพระพุทธองค์จึงเมตตามากสั่งสอนอยู่จนกระทั่งเวล า, าสุดท้ายก่นดับขันประนิพนันได้ตรัสไว้ว่าสังขารด้านลาย มีความสิ้นไปเสื่อมไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายอย่างมวดประมาทอยู่จงเร่งทำความเพียนให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เลอเพราะโอกาสที่ท่านจะกลับมาไม่มีแทบไม่มีและเมื่อท่านกลับมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยในปัจจุบันมาฟังธรรมไม่ใช่ว่าทุกคนเอาแพทเทิร์นไปเหมือนกันหมดนะไป ทุกคนนั่งทำพร้อมกันหมดเลยเหมือนกันหมดทั้งแพทเทิร์นทั้งห้องทั้งชั้นไม่ใช่แบบนั้นเป็นอานขาดเลยเพราะอะไรเราว่าแล้วค่ะอาสวะคือกิเลสเครื่องดองสันดานหรืออาลุใสเนี่ยความเคยตัวเคยใจของท่านจนเป็นนิสัยสันดาลของท่านที่สั่งสมมาแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านมีนิสัยสันดาลที่สั่งสมมาแต่ละท่านไม่เหมือนกันเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยการประพฤติปฏิบัติธรรมที่จะทำให้สิ้นกิเลสและความทุกข์เนี่ยมันจึงไม่เหมือนกันเพราะท่านมีนิสัยสันดาลหรือเป็นนิสัยที่ประพฤติปฏิบัติมาหลายๆายภพหลายชาติที่ท่านสั่งสมมาไม่เหมือนกันที่ทําให้ท่านเป็นทุกข์ที่ท่านทําให้สั่งสมไปด้วยกิเลสสันธานแ้วเป็นทุกข์มากกไปได้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทั้งบุญก็ท่านจะทํามาเยอะบาปก็ทํามาเยอะ เพราะฉะนัน่านสั่ ง, งมาแต่ละคนมันแตกต่างกันมากถ้าเราพูดตรงๆครูผู้ที่สอนเนี่ยจะต้องมีความรู้เอาเข้อ จ, จ, จริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผู้ที่สอนจะต้องมีความรู้มันจะต้องรู้ว่ามีบุญมีบามีกรรมดีกรรมชั่วทำมามากน้อยเท่าไห บุญบาปกรรมดีและกรรมชั่วทุกภพทุกชาติที่สังสมกันมามากม า, กายไายกองเนี่ยทำกันมามากน้อยเท่าใดแล้วเมื่อหักกบลบนี่บุญกับบาปลงในปัจจุบันที่ท่านมาอยู่ต่อหน้าผู้สอนแต่ละท่านเนี่ยในขณะนั้นนั้นเนี่ยมีบุญกับบาปเหลือเท่าไหร่เมื่อหักก บ, บลบนี่กันบาปมันมากกว่าหรือบุญมันมากกว่า ถ้าบาปมากกว่าแล้วไปเลยไม่มีทางยากมากแต่ถ้าบุญมากกว่าก็จะต้องมาตรวจสอบว่าบุญมากกว่าบุญนั้นได้ทํามาถึงขั้นไหนทํามาในขั้นทานหรือมาถึงขั้นหลักษาศีลหรือมาในขั้นของสมาธิหรือมาในขั้นของสติปัญญาแล้ว แม้แต่รู้ว่าบุญนั้นนอะมากกว่าบาปแล้วเนี่ยก็จะต้องรู้อีกว่าบุญนั้นเนี่ยทําด้านไหนมาทาเพียงแค่ทานมาหรือทํามาถึงศีลหรือทํามาถึงขั้นสมาธิแล้วคือขั้นสมถะแล้วหรือทํามาถึงขัง้นนิพพสนญาณแล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ยังรู้ต่อไปอีกว่าถ้าทํามาถึงขัง้นนิพพสนาแล้วเนี่ย มันเป็นวิปัสนาหรือเป็นวิปัสณูไปกิเลสมันถูกทางที่จะสู่มรรคผลนิพพานในปัจจุบันได้หรือไม่หรือที่ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมันเป็นเจดีที่กลับหัวคือมันเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ผิดด้านที่กลับด้านจากหลักธรรมคาสอนที่จะทําให้สู่มรกคผลนิพพานถ้ารู้ว่าการประพฤติปฏิบัติทำมาในภพชาติก่อนนั้นอะ หลายๆภพชาติที่ดำสมมาเป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานแน่แน่แท้แล้วก็ยังต้องรู้อีกว่าเขาถึงไหนแล้วที่ขบุดพุทปฏิบัติธรรมมเนี่ยมันถึงไหนแล้วมันผ่านขั้นตอนมาถึงขั้นไหนแล้วแม้แต่รู้ว่าถูกทางแล้วนะแต่ก็ต้องรู้อีกว่ามันผ่านขั้นตอนมาถึงแค่ไหนแล้วแม้จะรู้อย่างนั้นแล้วก็ตาม ยังต้องรู้ต่ออีกว่าเมื่อผ่านขั้นตอนมาถึงแค่นี้แล้วจะต้องสอนอะไรแก่เขาเขาถึงสามารถที่จะเลยจากที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ขึ้นไปอีกได้สูงกว่าในปัจจุบันนี้เขาจะเลื่อนภพภูมิเลื่อนภูมิจิตภูมิธรรมเนี่ยขึ้นไปได้ด้วยวิธีใด ให้มันสูงกว่านี้เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันก็ต้องตรวจย้อนลงไปอีกว่าไอทีเขาเนี่ยจะเลื่อนภพภูมิไปได้นะ่ะเลื่อนภูมิจีภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปเดิมได้เนี่ยเขาเคยทําอะไรมาเขาเคยปฏิบัติไปพุโทโธพุโทโธมาหรือโลลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือพิจารณาอสุภะกรรมฐานคือความนับความกะโกของร่างกาย หรือพิจารณามรณานุสติความตายนอกเปลือกภูผังหรือเขาเคยที่นาเป็นธาตุดินน้ําลมไฟสลายเป็นอากาศเปธาตุไปเป็นความที่ดีตัวตนเขาเคยทําอะไรมาอย่างไรเมื่อรู้ชัดเจนเช่นนั้นแล้วก็ลงมือสอนจึงจะไม่ผิดทางไม่ผิดพลาดแล้วก็ลงมือสอนไปตามที่รูเห็นชัดเจนนั้นคุณจงเดินทางนี้เพราะเป็นของเก่าของคุณ เขาก็จะสามารถประสบผลสาเร็จได้อีกประการหนึ่งเนี่ยแม้แต่เขามีหมดทุกอย่างตามที่จะพูดมาแล้วแต่เมื่อเข้าปฏิบัติประเด็นสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยไประเด็นถึงระยะหนึ่งแล้วทำไมเธอทั้งที่ทุกอย่างได้เปิดออกมาหมดแล้วลแต่ทำไมาในการปฏิบัติจึงไม่ก้าวหน้าก็จะต้องมาดูใหม่ตรวจสอบใหม่ว่า ทำไมจิบไม่เก้าน่ะถาม ท, ที่ทุกอย่างก็เปิดออกมดแล้วอ๋อเพราะเขาได้เคยอธิษฐานจิตไว้อย่างนี้ได้เคยตั้งความปรารถนาที่มันขัดต่อมาลนิพานในปัจจุบันเสียเช่นเขาเคยอธิษฐานว่าจะขอเกิดตามใครไปทุกพพ ท, ทุกชาติเราหลักเขามากหรือ เคยอธิษฐานว่าจะขอตามไปจองล้างจองผ่านเขาทุกชาติเพราะเกลียดทังเขามากหรือไปเคยอธิษฐานอะไรก็ตามที่มันติดปกปูมันติดอยู่ในอะไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่มาเป็นอุปสรรคขัดขวางทําให้ไม่สามารถที่จะปลุกปก้นได้หรือบอกว่าอธิษฐานว่า ที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศมากที่สุดก็คืออธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้าไม่ขอบรรลุอลหรหันต์อยเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวหรือเป็นพระโพธิสัตว์อย่างเดียวอันนั้นปฏิบัติยังไงไม่บรรลุพันิพานได้ไม่สามารถเป็นอหรหันต์สาวกได้ฟังทํำยังไงก็ไม่สามารถเป็นอหรหันต์สาวกได้เพราะคุณตั้งความศาสนาเป็นพระพุทธเจ้าตั้งศาสนาในตัวคุณเองจึงต้องแก้ทั้งหมดเลยและต้องรู้ด้วยว่า ถ้าเขาอธิษฐานเป็พระพุทธเจ้าเขาสามารถล้างคําอธิษฐานนั้นได้ไหมถ้าเขาปรารถนาที่จะเป็นอรหันตสาวกาถ้าเคยถูกทํานายมาจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วว่าขอเธอจงเป็นพระเจ้าสมปรารถนาจะไม่สามารถถอนคืนคำอธิษฐานได้ถ้าความปรารถนา น, นั้นยังไม่ถูกทํานายจากพระพุทธเจ้าแล้วพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็จะถอนคืนคําอธิษฐานได้นี่ มันต้องรู้ละเอียดถึงขั้นนี้เลยไม่ใช่ว่าสอนกันสุมสี่สุมห้าสงเด็กแล้วจะพากันไปไหนพากันตกเหวตกนรกพากันไปทางไต่ไหนพากันเดินทางไปทางไหนมันไม่รู้เลยความเป็นมามันเป็นไปอย่างไงปัจจุบันเป็นมาอย่างไงอดีตเหตุในอดีตทำอะไรมาเป็นผลในปัจจุบัน แล้วเหตุที่จะส่งผลในปัจจุบันอเหตุที่จะทําให้ในปัจจุบันนี้จะส่งผลในอนาคตที่ไปสู่ทางมรรคผลนิพพานในปัจจุบันมันก็ไม่รู้อีกเหตุในอดีตมาส่งผลในปัจจุบันก็ไม่รู้เหตุที่จะส่งผลในปัจจุบันไปเสื้อเพื่อมรรคผลนิพพานในในอนาคตในหรือในปัจจุบันนี้ในภพชาติในปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้อีกแล้วมันจะไปกันไหนพากันที่ไหน่ะเราจึงบอกว่าน่ากลัวมากเลยพุทธเจ้าจึงตรัสว่า อย่าเชื่อใคเป็นอันขาดยอบว่าความหวังไว้กับใครแม้แต่เราสถาคตบริสุทธิ์เถอเป็นผู้บอกกับท่านสอนกับท่านเองแ ต, แต่จงอย่าเชื่อทันทีจงนำไปพิจารณาให้รอบคอบว่ามันใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์สิ้นกินเลสสิ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันไหมถ้ามันไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์สิ้นกินเลส สิ็นความทุกข์ความเครียดในปัจจุบันมันจะต้องไม่ใช่แล้วไม่ใช่การนี้ไม่ใช่ต่มันยิ่งปฏิบัติแล้วมันยิ่งทุกข์เครียดขนาดนี้แล้วมันไม่ใช่แล้วปฏิบัติมาจนฟิวจะขาดมันไม่ใช่แล้วปฏิบัติมันมันจะต้องความทุกข์ต้องมวลต้องหายไปกิเลสตัณหามันต้องหายไปทั้งผู้สอนและผู้ถูกสอน มันจะต้องกิเลสมันต้องค่อยๆหมดไปหมดไปความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดไปหมดไปหมดไปเพราะเช่นนั้นเนี่ยแม้แต่พระเจ้าตรัสว่าสาริบุตรเราสอนอย่างนี้นเธอเชื่อไหมยังไม่เชื่อพระเจ้าครับขอนําไปปฏิบัติดูก่อนแทนที่พระเจ้าจะตํำหนิาสาวกเหมือนอย่างสาวกทั้งหลายที่มาฟ้องท่านพระเจ้ากลับดัดชมย่องสาริบุตรมากเลยว่าสาริบุตรเธอทีท่ยอดเยี่ยมมากนะดีมากเลย นี่ไงที่ไม่เชื่องมงายทันทีนี่ต้องขับระ่นเจ้าเจ้าต้องนําไปทดลองปฏิบัติก่อนดูก่อนว่ามันคนทุกตีจริงไหมไม่อยากเชื่อไปเลยสุตสีสุมหาหาเราจะเชื่อเขาได้ยังไงข้อที่เขาสอนเราแล้วนี่พระเจ้าเขาก็ไม่อยู่ไปเชื่อก็าสุตสีสุมาห์าได้ไงแม้แต่เรามาสอนพุทธาทั้งหลายท่ก็ไม่ต้องเชื่อทันทีนันต้องลอง ฟังแล้วก็อนจะสติปัญญาลงอดิชฌานว่าเออมันจะทําให้เราหายทุกข์หายเครียดได้ไหมเออไอ้ที่เรามีความทุกข์ความเครียดอยู่กิเลสตัณหาที่มีอยู่มันจะน้อยลงบางลงไปบ้างแับนี้ถ้ามันน้อยไปหายไปเออกิเลสมารณาตัณหาร้อยแสนมันก็รวมลงที่นี้นความโลภความโกรธความหลงมารณาปิจิหรือลาะสะโทสะโมหามารณาิติ มันสิ้นไปมากอยู่ในทางโลกก็จะเอาจะเอาจะเอาจะเอาจะเอามากหมายก่ก่อนจะเอานั่นจะเอานี่จะเอานั่นจะเอาผัวจะเอาเมียจะเอาลูกจะเอาสมบัติประฐานจะเอาตําแหน่งราภยศมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นร่ารวยเอาตังงานเงินทรัพย์กับสมบัติจะเอามากขึ้นมากขึ้นทางโลกก็ไม่ทิ้งพรมาปฏิบัติธรรมทางธรรมก็ไม่ทิ้งเพรมาปฏิบัติธรรมก็เริ่มตั้งต้นก็จะเอาโสดาบันเอาสกะาคามีเอาอนาคามีเอาอรหันต แต่พอมาปฏิบัติแล้วก็ปรากฏว่าสิดานติดสมาธิติดอวิญญาสั้งจิตตั้งใจติดมั่วไปหมดแหละปรากฏว่าไม่ได้ทิ้งอะไรสักอย่างโลกก็ไม่ทิ้งแต่พอมาปฏิบัติทำก็ไม่ได้ทิ้งเลยมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาเราต้องถามตัวเราเองว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโลกก็ไม่ทิ้งมาปฏิบัติใจก็เกาะเกี่ยวขูดพันทั้งลูกทั้งหัวทั้งเม ทั้งพ่อแม่สมบธธัติประธทานสมบัติบานจองต่างๆทรับสมบัติก็จะเอามากขึ้นล้ำรวยมากขึ้นจะเอาจะเอามาขึ้ น, ม น, ามานไม่ได้ปล่อยวางไม่ใช่ว่าไม่ให้หาโดยชอบนะพระเจ้าประทัดไว้ในอริยามรรคว่าประกอบอาชีพชอบถ้าเป็นการประกอบอาชีพชอบด้วยความาเพียนอันนี้ถูกต้องหาด้วยสตยิปัญญาความรู้ความสามารถหาเข้าไปเถอะด้วยชอบหาเข้าไป แต่ในระหว่างที่หาทุกอย่างเนี่ยต้องรู้ว่านี้เป็นของสมมุติเชื่อคำไม่ว่าจะหาได้มากเท่าไหร่ไม่ว่าจะมีเมียมีหัวมีลูกมีหลานมีสมบัติพัฒนามีตำแหน่งตราดยศมีบ้านช่องมียสังหารเรือทรัพย์ใหญ่โตมีอะไรก็ตามไม่ว่าท่านจะหาได้มากมาเท่าไหร่ท่านต้องทำใจไว้เสมอว่าไม่ช้าเนาะต้องจากไปมือเป่าอนเจ้ามา ต้องเจ้ามามือเปล่าเจ้าก็ต้องจากไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาตอนตายแล้วเอามือออกมานอกผ้าที่เขาพุมนะี่ยแล้วให้เขามาลดน้ําศพเราแล้วน้ําศพที่มันลดไ็มัเรากําไปไม่ได้แม้แต่หยดเดียวไม่ว่าจะหาอะไรได้มากมกายไกลกองเท่าไหร่ในใจต้องรู้สึกเป็นเสมอเลยว่าที่สุดต้องจากไปมือเปล่าแม้แต่สังขารร่างกายนี้ ซึ่งเป็นรูปธรรมและนมามธรรมคือความรู้สึกควาิคิดอารมณ์ก็แบกไปได้วยมันได้สุดท้ายก็ต้องดับรับไปจิิงไว้กับโลกเพราะว่าเป็นสมบัติของโลกมาสร้างเราในโลกนี้เรามาแต่จิตหรือวิญญาณวิญญาณแปลว่าธาตรู้ไม่ใช่ว่าเป็นผีเรามาแต่จิตหรือวิญญาณที่เป็นธาตรู้ที่เป็นความว่างเปล่าซึ่งเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ แต่ดั้งเดิมแท้ๆของเขาวิญญาณเดิมแท้ๆหรือจิตเดิมดั้งเดิมแท้ๆของเขาเป็นเพียงความว่างเปล่าไม่มีตัวตนให้มีรูปร่างอะไรเลยไม่มีรูปพรรณสันฐานใดๆเลยไม่มีผ่องใสไม่มีเศร้าหมองไม่มีสว่างไม่มีมืดไม่มียาวไม่มีสั้นไม่มีหนาไม่มีบางไม่มีหนักไม่มีเบาเพราะเขาไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยไม่มีเบาด้วยไม่มีหนักด้วยและไม่มีผ่องใสด้วยไม่มีเศร้าหมองด้วยมีแต่รู้ นี่แนวจิต ด, ดั้งเดิม แ, แท้หรือวิญญาณดั้งเดิม แ, แท้นั่นแนะมีแค่นั้นเองเวลามาแล้วสร้างเอาทั้งหมดแม้แต่ร่างกายเราและความรู้สึกนึกิดอารมณ์ที่มาเกิดขึ้นในชาตินี้รวมทั้งหลายๆชาติที่มาสร้างรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปและมีความรู้สึกนึกิดอารมณ์อย่างใหม่ๆตามร่างกายที่ไปสร้างใหม่แต่ละชาติล้วนแต่มาสร้างเอาในโลกนี้จึงต้องคืนแก่โลกนี้แล้วจากไปเพียงแค่วิญญาณเท่านั้น แต่คนทั้งหลายเข้าใจว่าวิญญาณคือผีเพราะไปยึดเอาวิญญาณที่จากไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะวิญญาณที่จากไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละมันก็เหมือนอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดนันแหละคือผีที่ออกจากล่าไปผีเราอ่ะพอจาก ล, าล่างไปเพราะเป็นวิญญาณที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เป็นวิญญาณแผล ส่วนวิญญาณแท้ๆมันเป็นแค่ธาตุรู้เป็นธรรมชาติของธาตุรู้เป็นธรรมชาติของธาตุรู้ที่ว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยไม่มีรูปร่างไม่มีอาการใดๆไม่เบาด้วยไม่หนักด้วยไม่ใช่ว่างรู้สึกว่าโปรงโลกเบาสบายแล้วถ้าไม่รู้สึกหนักทึบๆ อ, อะไรความรู้สึกโปรงโลกเบาสบายความรู้สึกหนักทึบๆเป็นเพียงแค่สุขเวทนาความรู้สึกหนักทึบๆเป็นเพียงแค่สุขเวทนาความรู้สึกโปรงโลบเบาสบายเป็นเพียงแค่สุขเวทนา ความรู้ึกว่างว่างเป็นเพียงแค่สุขเวทนามันเป็นเพียงแค่เวทนาขันในการหน้าซึ่งว่าสร้างออกในโลกนี้แต่วิญญาณธาตุหรือธาตุรู้เนี่ยไม่มีเลยความรู้สึกใดนๆในในไม่มีได้แต่รู้ได้แต่รู้ไม่มีกยายการใดๆเราเลยจากไปเพียงแค่วิญญาณหรือธาตุรู้เท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันจากไปพร้อมความยึดมั่นถือมั่นมันเลยเป็นผีไงชาว่ า, าเลยว่าเป็นผี เพราะมันไม่ติ้นความคิดมวามเป็นมันเพราะมันไม่เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะแหวงหาทุกอย่างในโลกโดยชอบได้ตามปกติเลยตามความรู้ความสามารถที่ท่านขยันเล่าเรียนเขียนอ่านขยันทําความเพียรในการหาเงินหาทองโดยชอบขยันทาํางานขยันหาเงินโดยชอบด้วยความรู้ความสามารถของท่านเรียมขึ้นไปเรียนขึ้นไปสูงขึ้นไปสู ง, สงขึ้นไปมีขยันทํามาหาเงินขยันเล่าเรียนเขียนอ่านขยันหาความรู้ความเข้าใจขยันทํางาน ขยันเก็บพร้อมรอมลิบขยันเล่าเรียนได้ใจขยันคิดขยันทำความเข้าใจท่านพวกแตกแขนไปเรื่อยๆมีความรู้ความสามารถแตกแานไปท่านก็สามารถมีโอกาสที่จะหาเงินหนาทองอ่าหลับจะตําแหน่งหาสมบัติประทานสร้างฐานะสร้างครอบครัวอะไรของท่านได้ตามปัจจานาแต่ไม่ว่าท่านจะหาขนาดไหนก็ตามท่านจะมีขนาดไหนก็ตามท่านต้องมีความรู้สึกในใจเสมอว่าที่สุด เรามาจาบมีมาแค่วิญญาณซึ่งเป็นภาพุรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าและเราก็ต้องจากไปได้วยความว่างเปล่าไม่ได้เอาอะไรไปได้คนที่บอกว่ามันเอาไปได้แต่บุญกับบาบนั้นบุญกับบาบนั้นแนีะ เอาไปได้จิตจิตไปได้หรือติดวิญญาณไปได้อย่างอื่นติดไปไม่ได้เอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวมีแต่วิญญาณที่จากไปพร้อมกับคุญกรบบาบที่ติดไปหรือกรรมดีกับกรรมชั่วที่ติดไปแต่กรรมดีและกรรมชั่วหรือบุญกับบาบที่ติดไปเนี่ยมันติดไปแค่จิตที่ยังหลงปรุงแต่งอยู่เพราะจิตที่ยังหลงปรุงแต่งอยู่มันยังเป็นพลังงานอยู่ ส่วนร่างกายเนี่ยที่เป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเป็นธาตุมันเป็นธาตุหรือเปียบว่าร่างกายเนี่ยเป็นสสารส่วนจิตที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ยังปรงแต่งได้เนี่ยมันเป็นพลังงานบุญและบาปกรรมดีและกรรมชั่วเนี่ยมันติดได้เพียงแค่พลังงานสูงสุดส่วนร่างกายเนี่ยมันต้องแตกดับทําลายไปแนละ้ว แต่ที่เหลือมันคือจิตหรือวิญญาณที่เป็นจิตหรือวิญญาณที่ยังยึดมั่นถือมั่นมันเลยกลายเป็นส่วนที่ปรุงแต่งที่ยังไม่จับความปรุงแต่งมันเลยยังเป็นพลังงานที่หลงเหลืออยู่มันเลยทําให้บุญและบาปด้วยกรรมดีและกรรมชั่วติดในส่วนของพลังงานคือจิตที่ปรุงแต่งหรือวิญญาณที่ปรุงแต่งไปได้แต่ถ้าเข้าถึงวิญญาณทาตาหรือจิตดั้งเดิมแต่แ้เขาเป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยบุญและบาป กรรมดีและกรรมชั่วติดไม่ถึงความว่างเปล่านะเมื่อพุทธเจ้าและพระลานทั้งหลายทั้นสิ้นความจิตมัน่นหรือมั่นหมดแล้วจิตหรือวิญญาณที่จะนำไปสู่ความเกิดอีกเปลี่ยนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นจิตฝ่ายคงแตง่นั้นก็ดับไปเหมือนดังเปลวไฟที่สิ้นเชื้อหรือเปลวไฟเพียนที่อยู่ต่อหน้าและเป่าดับพึบหายไป ยมประารหรือยมมาพูดรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรรวมทั้งบุญกับบาปกรรมดีและกรามชั่วสิ้นผลที่จะให้ผลได้เพราะว่าหาไม่เจอแล้วหาจิตในวิญญาณไม่เจอเพราะหายตัวไปแล้วนี่แน่คือความปัญญาที่เข้าใจถึงธรรมชาติอันสูงสุดหรือเรียกว่าธรรมปัญญาที่เข้าใจถึงความจ ร, รมิงอันสูงสุดของธรรมชาติ หรือเรียกว่าธรรมหรือเรียกว่าปัญญาที่เข้าใจถึงธรรมอันสูงสุดก็คือธรรมชาติอสุดความจริงของธรรมชาติน่ะเองเมื่เอเราเข้าใจอย่างนี้เราจึงรู้ว่าท่านอยากจะหาความร่ำรวยหาทุกอย่างอะในโลกท่านก็มีก่อนรู้สึกเสมอว่ามันแค่มาใช้อำนวยความสะดวกในปัจจุบันนี้เท่านั้นตายแล้วก็หมดจบกัน ไม่ได้เอาอะไรไปอีกไม่ได้หวังจะเอาอะไรไปอู่บาปก็ละมาจนหมดสิทแล้วบุญกุศลก็ทำไว้เท่าไหร่ก็ตามอุณหความดีทาไว้เท่าไหร่ก็ตามไม่เคยคิดจะเอาไปในในภพชาติหน้าไปทำอะไรต่อไปจบสิ้นแล้วซึ่งบุญและบาปไม่ได้คิดจะเอาไปทำอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดจึงไม่มีความหมายต่อใจอยากจะหากรหาไป ทุกอย่างหาได้แต่ใจรู้สึกเสมอว่าไม่มีจริงรอะรเลยที่จะเอาไปได้สักอย่างเดียวแม้แต่บุญยังไม่เอาไปใช้ในชาติต่อไปเลยบาปมันก็หมดสิ้นแล้วได้ละมาหมดสิ้นแล้วเพราะละบาปมันหมดสิ้นแล้วและบุญกุศลก็ทำมาจนเต็มที่แล้วมันจึงไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ถ้าบาปยังไม่ละ คิดจะพ้นทุกข์มันพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องละบาปซะก่อนต้องละบาปทางกายวาจาใจซะก่อนต้องละบาปทางกายวาจาใจซะก่อนมันจึงจะเป็นความเป็นบุญกุญกศลเพราะละบาปนั่นแหละมันคือบุญกุศลแล้วไม่ใช่คิดว่าจะทำแต่บุญกุศลแต่บาปไม่ละ มันไม่ได้เป็นบุญกุศลอะไรเพราะการละบาปนั่นแน่การละบาปทั้งกายวาจาใจทั้งมวลนั่นแน่มันเป็นบุกุศลแล้วนั่นแนความเป็นทุกข์จึงจะเกิดขึ้นได้คือความเข้าแย้ในธรรมชาติอันสูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้เพราะไม่มีอะไรติดข้างในใจของท่านอีกแล้วเพราะบาปกรรมชื่อท่างหลายทั้งกายวาจาใจที่เคยทําผิดสินผิดธรรมผิ ด, ผดพลาดมาไ ด, ได้สมนึกป็นโทษบาปกรรมอันนั้น หมดสิ้นหัวใจแล้วและได้ละบาปไปหมดสิ้นแล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่เหมือนกับดับองคุริมาณที่เคยทำบาป ก, กับบาป ก, กรรม